การที่จิตจําสภาวะได้แม่นยำเนี่ยภาษาแขกชาบาลีเรียกว่าธิระสัญญาถอถุงสลอิรอเรือธิระสัญญาจิตมันจําได้แม่นเพราะมันเห็นบ่อยมันเห็นบ่อยเพราะเราฝึกไว้เราขยันดูนะทำในรูปแบบควรจะทำทุกวันต้องไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมภาวนาในรูปแบบแล้วก็หัดดูสภาวะมันจะทําให้เราแม่น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 จิตสิขาเนี่ยจิตจะสงบจากนิวรณจากกิเลส ช, ชั้นกลางนะพร้อมที่จะไปเจริญปัญญามันจะรู้ว่าจิตยังไงที่ขมนิวรณได้จิตยังไงขมนิวรณได้แล้วพร้อมที่จะเจริญปัญญาด้วยจิตที่ขมนิวรณได้คือจิตที่ทำสมถะจิตที่ขมนิวรณแล้วพร้อมจะเจริญปัญญาคือจิตที่พร้อมต่อการทำวิปัสสนาไม่เหมือนกัน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 กิจที่ควรทำก็คือการข้ามภพข้ามชาติน่หนึ่งได้ทำเสร็จแล้วทำหมดละกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกเพราะตรงนี้ไม่มีอะไรจะต้องทาแล้วกายกใจเราคืนให้ธรรมชาติคืนให้โลกเข้าไปละจิตใจจะมีแต่ความสุขนะมีความสุขมีความสงบมีความเบิกบานท้าวออยู่อย่างนั้นนะ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 ตอนลาท่านบวชนะท่านก็อธิษฐานเลยบุญบารามีที่หลวงพี่ทำแล้วนะกับที่ของคุณทำนะขอให้รวมกันนะให้คุณถึงนิพพานวัยวันะ่จะได้รีบมาสอนกันมาช่วยกันทำงานอธิษฐานมาให้แหมใจเราเพื่อเขิมนะพอบวชแล้วเอาใหญ่เลยหลวงพ่อมนตรีนี่ชอบเดินจงกรมแล้วก็เดินทั้งวันทั้งคืนเลยนะเดินสเทียดเดี่ยงเลยเ ด, เดินสะขาถ่างเลยนนะ